Book 2 <20. S 1> <años. S> 2ยี 2> ่สิบการสนทนาหนึ่งสมาพราตเอทำตัวตามสบายค่ะสโล่ได้เน็ดทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะคะ คุณอยากดื่มอะไรคะอยากดื่มอะไรคุณชอบดนตรีไหมคะคุณชอบดนตรีไหมคะคุณชอบดนตรีไหมคะคุณชอบดนะชอบดนตรีคลาสณชอบดีะคุณชอบดีไมุณชอบดนตรีไคอดนีไค่อดะ h า er r ์ r c d n เซเดคุณเล่นเครื่องดนตรีได้ไหมคะสปิลเลอร์ดูอีติสต์รูเ t นี่คือกีตาร์ของดิฉันค่ะฮาร์อาร์กิตาร์น์คุณชอบร้องเพลงไหมคะลิเครูอ่ะสิงเคุณมีลูกไหมคะ คุณมีสุนัขไหมคะหา d ูหุ่นคุณมีแมวไหมคะหาดูคอดนี้คือหนังสือของดิฉันฮาร์ิดิฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ฉันสื คุณชอบอ่านอะไรคะ i ่าเลี่ยงค์ t ูอ่านคุณชอบไปดูคอนเสรรมมิร์ตไหมคะเลี่ยงค์ดูอ่า t ค, คุณชอบไปดูละครไหมคะเล t ่ยงค์ดูอ่า n คุณชอบไปดูโอเปร่าไหมคะเลี่ย g ค์ดูอ่าน